หลงจากเราได้สาธิหายพระสูตรทว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเห็นศาสนาศาสน า, า, ส า, าให้ใช้เกิดประโยชน์ต้องมานำมาปฏิบัติที่ตัวเราเราก็มีปฏิบัติได้ดชวนวิธีปฏิบัติําหลักมากไปองแปดก็คือเรื่องกายเรื่องใจเรานี่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 รวมหลงเป็นอย่างไรสัมผัส ด, ดูเห็นรู้รวมรู้อย่างไรสัมผัส ด, ดูเป็นทางอยู่ตรงนั้นตรงที่เหมือนหลงตรงที่เหมือนรู้มันก็เห็นทางเป็นทางไปอยู่ภาวะที่หลงภาวะที่รู้ายภาวะที่หลงใจภาวะที่รู้ใจ อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเห็นเป็นกายเห็นเป็นใจเมื่อเห็นมากๆ ก, ก็เห็นเป็นลูกเป็นนามย่มหลงเป็นอาการเห็นจิตที่มันชีดตัวเห็นนามที่มันมีอาการ ม, มีนามเหมือนกับไม่ นันมีสัญญาณอยู่ที่นี่เวลาเสียงไหลมามันก็เจ็บเสียงขยายไปอีกให้มันไปไกลสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจที่ว่านามรูปนามนามนั่นมันก็ไปไกลไปบวกกันเข้ากับรูปไปเป็นความพอใจความไม่พอใจเป็นสุขเป็นทุกข์ขอนาม ถ้าเรามีสติเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับนามมันก็ไม่เป็นสุขเป็นทุกข์ได้เป็นอาการไม่ต้องเรียกว่าสุขว่าทุกข์อันสุขกันทุกข์มันเป็นอาการของนมามธรรมถ้าไม่มีอาการมันก็ไม่ใช่นามเหมือนใหม่ไม่มีไม่เจ็บเสียงมันก็ใช่ไม่ได้ที่มันสุขมนทุกข์เป็นที่เกิดกับนามนั่น มันบอกทังความเท้จความจริงอย่างไรเป็นตัวเป็นตนอย่างไรแล้วก็มีสติเห็นนี่มันคือนี่นี่พื่อนี่ในสิ่งนี้เกิดขึ้นกับนามนั่นมันก็ไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนจะเป็นความสุขความทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนอมร้องควงมจงก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน ความกดความโลภความหลงก็มไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็เห็นไปจนจบในลักษณะอาการอันความไม่เป็นอันลาอยู่ในความเป็นอันลแล้วก็ต่างกันแล้วก็เราวิ่งเวลาเราหยุดก็ต่างกันกันกบการวิ่งอาจจะเหนื่อยถ้าเดินธรรมดาก็ไม่เหนื่อย เหนื่อยกายเหนื่อยใจอน่้เหนื่อยกายนี่ก็ยังรู้จบกายมันรู้จบแต่ใจไม่ค่อยรู้ก็ไม่มีสตินึกว่าตัวว่าตนไปซะแล้เหนื่อยกายมันบอกอยู่ก็ร้อนก็อาบน้ำถ้าหนาวห่มผ้าหิวก็กินข้าว จนได้อันใจเมื่อมีมีทุกข์มันไม่หาทางอกอกเพราะมันเป็นนามธรรมยิ่งหมุดมุ่งเข้าไปจึงมีสติเต็มที่จะวิ่งตามอาการที่มันเกิดขึ้นสุกเป็นสุกทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงที่เกิดขึ้นกับนามนั่นมีสติเนี่ยหลังที่เรามาอยู่ในภาคปฏิบัติ ก็เห็นสิงเหล่านี้ต่อหน้าต่อตาอยู่ก็ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่าปล่อยที่ยงไปเวลามันโศกก็เห็นมันอย่าให้สศกเป็นโศกอย่าให้ทุกข์เป็นทุกข์นย่นี้เรียกว่าสติอย่างที่เราสาธิพุทโธวิตกวิจาริิตนุปปัตสตาหมายถึง ตึกตองเลยทำบางทีเมื่อมันเห็นแล้วมันฉกมันเปลี่ยนนี่ทุกมันเปลี่ยนนี่ก็ตึกตองไปแต่ไม่ใช่ปุ่งแต่งจิตเป็นหนึ่งที่มันเห็นต่อหน้าต่อตาเห็นความทุกข์ก็ไม่ใช่ความทุกข์มันเห็นแล้วมันตึกตองไปมัน มันชื่นใจนะถ้าเห็นดีๆล้วถ้าเห็นน่ะลักษณะเห็นของสติเนี่ยไม่ใช่เหมือนตามันตึกตองมันชื่นใจโอ้เป็นอยาน่างนี้มันเป็นอยาน่างนี้เป็นเช่นนั่นเองไม่เป็นไรเนอะมันตึกตองไปเรียกว่าวิตกวิจารณ์มันก็มีปิติเยนืเย น, เ ร, ยนเราเห็นถ้าเห็นนะ่ะ เห็นแม่ตายเห็นแม่ตายตอนใจจยาขาดมันไม่ใช่เรื่องทุกข์แต่มันเป็นลึกซึ้งมันเห็นอย่างเนี้ยซึ่งเป็นวันที่แม่ขขงหลงหมดไปแล้วเราก็เห็นลักษณะการตายมันเป็นอย่างนี้เราก็ลึกซึ้งมันมันมันไม่ใช่ทุกข์นะ มันเป็นปิติแบบหนึ่งที่มันเห็นแจ้งตามความเป็นจริงอะไรก็เป็นเช่นนี้เรียกว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้สันโลกเป็นอย่างนี้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอย่างนี้ันลึกซึ้งเลยปิติมันไม่ใช่ความทุกข์มันเห็นแจ้ง ลำดับลำนำมันเห็นแย้งในคําสอนพูะเจ้าด้วยอย่างนี้เรียกว่าปิติแล้วก็เมือ่อดเพลินอยู่นี้ได้ยังไงละออกไปสอนวิตกวิจารเสียได้แล้วถึงฌานที่สองที่สามแต่ที่โอเวขาวางวางเวขาไม่ใช่เวขาที่แม่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 แม่ตาคุณนาเขาทำแล้วมันก็ไม่ไหวมันก็ตายลงไปก็เลยวอ้เบขาเบขาหราแลวแลวอยู่วางอยู่มันเห็นมันทามันแสดงมันทำมันอะไรที่มันทำมาแล้วแต่มันมาวางอันนี้ก็เรียกว่าฌานเหมือนกันที่แท้คือสตินั่นแหละคือสตินั่นแหละ ต่อไปฌานที่สามที่สี่้รก็มีสุขในฌานมันยิ่งกว่าสุขในกิเลสตัณหาหลาคะโทสะอันสุขของโลกสุขของโลกว่ขขกาเขาว่าเป็นความสุขแต่สุขในฌานมั น, นมันยิ่งกว่านั้นนัก็ละไปไม่จติ มีแต่สติจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นเอกเรา ล, ลาสุขเราทุกข์ได้จิตเป็นหนึ่งมีสติแล้วเราอยู่มีสติแล้วอยู่สรุปลงที่สติสติคือชีวิตนแนวเราจะมาฝึกหัดการการฝึกหัดอย่างนี้าาก็แต่มาจากโ น, น้นแหะแต่มาจากสัทธานอนเราเชื่อ เมรามีศรัทธาล้วก็มีความเพียรประกอบความเพียรแล้วขมชั่วทำความดีความชั่วนะขยันละความดีขยันทำเรียกว่าความเพียรแล้วก็มีสติมันก็เป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นเรียกว่าสมมาทิฏฐิมันก็เลยทำมา มีสติมีสมาธิสมาธิคือใส่ใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดเฉพาะเรื่องเวลาเรายกหมือสร้างจังหวะมันเฉพาะมันไม่หลายอย่างเวลาเราหายใจก็เฉพาะลมหายใจเวลาเราเดินก็เฉพาะการเดินมันเฉพาะตลอดทั้งเลา คับเวลาถ่ายเวลาขบเวลาฉันทำอะไรก็เฉพาะปวดบ้านถูเรือนล่างถ้วยล่างชามเฉพาะเฉพาะมันก็เรียกว่าสมาธิสมาธิคือมันเรื่องเดียวไม่ใช่ไปนนัง่งหลับหูหลับตาทงอะไรก็เป็นเรื่องเดียวมันก็เชื่อมแขง เพ็นความรู้ก็มีแต่ความรู้หายจเจอ้ารู้สึกหายจะออกรู้สึกกายก็เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นแต่กายมันเคลื่อนไหวทั้งทั้งตงที่เห็นอยู่มันก็เล่าความชั่วทำความดีจิตก็บริสุทธิ์ไปมันก็เป็นกอบเป็นครำขึ้นมาหลงมันู้เรียกว่าปัญญา อันได้ปัญญาจากปัญหาจากความหลงไปเรื่อยๆไปอย่างที่เราสาธยายฉันตาวิาปปิวิยาอุทปติจิตามปะคันติจิตามประคันนา ต, ต, าานาตนะิเรียกว่าศรัทธาวิิยาสติสมาธิปัญญาเป็นพละเป็นกำลัง ละหน้าตถาภะละเชื่อว่าทำอย่างนี้เหมือนเกิดอย่างนี้วิยระระิยะภะละเปลี่ยนประกอบสติพะะขยันรูให้มากสมาธิภระลระเปลี่ยนหลงเป็นรูเปลี่ยนทุกข์เป็นรูปัญญาภระลระก็ได้ได้ความหลงหมดไปความทุกข์หมดไป เราไม่ตกกังวลหมดไปมันก็หมดแล้วเรียกว่าปัญญาปัญญามันเป็นตัวสุดท้ายเป็นวงลิฟปิดสุดแล้วถ้าถึงปัญญาถ้าหลงก็ได้รู้แล้วถ้าทุกก็รู้แล้วถ้าโกรกก็รู้แล้วถ้าวิตกวิจารณ์ก็รู้แล้ววิตีก็รู้แล้วอุเบกขาก็รู้แล้วทุกก็รู้แล้วทุกลู่แล้วมันก็เป็นปัญญาจนถึงที่สุด นรืว่าผลทุกเป็นมากละทุกเสียวิธีละทุกทุกเป็นผลวิธีที่ละทุกเป็นมากละทุกแต่แล้วเป็นในโลกก็มีอยู่อย่างนี้อย่างที่เราสื่สารยายพระสูตร่ะเราก็ทงอยู่นี่เหมือนเราอ่านตำรานั่นแหละ เอากายเป็นตาลาเอาใจปาาเป็นตําลาตาลาก็อาจเป็นรูปเป็นนามรูปมันก็ทํานามมันก็ทําอาการที่เกิดขึ้นกับรูปที่เราเลื่อยฉกเราทุกมันก็เป็นอาการไม่ใช่ฉกเสียทุกภาวะที่เห็นเห็นเป็นเรื่อยๆเลยไม่เป็นกับไรที่ตั้งแต่ต้น ท, ทั้งที่หลงก็เป็นรูปสุข ก, ก็เป็นรูปทุกข์เป็นรูปาวาที่รูปนี่คือชีวิตาวาะที่ไม่เป็นอะไรคือชีวิตเราจึงต้องศึกษาคนเดียวปฏิบัติคนเดียวแต่ลีกอยู่คนเดียวเพื่อให้มันเป็นเอตตะคะเราจึงทำยังไงล้วจึงจะอยู่ในรูปอย่างนี้ได้ พระพุทเจ้าบอกเราอิสุทั้งหลายเธอจงจะเลีกไปผู้เดียวเธอจงปฏิบัติผู้เดียวเธอจึงลูกผู้เดียวปิด ถ, ถูกไม่มีใครลูกหลงเราก็ลูกลผู้เดียวเปลี่ยนหลงเป็นลูกหลงธรรมผู้เดียวจงปฏิบัติผู้เดียวให้พึ่งตัวเองอย่างนี้แล้วมันสุข ปฏิบัติผู้เดียวเวลามันทุกปฏิบัติผู้เดียวให้เห็นอย่าปิดบังไว้ให้เราเห็นในแจ้ด้เปลี่ยนเออจงยินดีอยู่ป่าผู้เดียวยินดีอยู่ป่าแม่เราจะอยู่ที่นี่เราก็อยู่ผู้เดียวให้อยู่ผู้เดียวจะลีกอยู่ผู้เดียวเรานั่งอยู่หมู่ก็เราอยู่คนเดียวเราเดินกับหมู่ก็เราเดินอยู่คนเดียว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 ของเธอให้มันเบาอะไรมันหนักอุปทานมายึดไหลมายึดความเลอะความชังมันหนักยึดความผิดคมถูกมันหนักต่อขจะหิีดาาโทษจะหิีดบูหอยจะหิีดมันหนักเธอจงวิดออกวิดน้าในเรือออกเรือของเราคือจิตเป็นนายกลายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นผู้พาย ได้มีแต่ปัญญาภายัยม่ก็หนักอยู่สุขมาแล้วทุกมาแล้วลักมาแล้วเกียดมาแล้วก็ยังหนักอยู่เขียนเท่าไหร่ก็ไม่ถึงง่ายถ้าเราบีดออกตั้งแต่หลงเป็นลูกสุขเป็นลูกทุกเป็นลู้รักเป็นลู้อะไรต่างๆเป็นลูกมันก็เบาไปเบาไ ป, เ, าไปเล่นถึงจุดหมายปลายทางได้ไวไม่หนักเหมือนหมามีผีเท่าดี มามีผีเท่าไม่ดีก็ละ ก, กันไกลผู้หลงแล้วหลงอีกหรือว่าผีเท่าไม่ดีได้เป็นมากก็เรียกว่าผีเท่าไม่ดีทุกแล้วทุกอีกทุกแล้วทุกอีกอันทุกเรื่องเาางออก่ายังมาทุกอยู่โกดเรื่องเาางออก่ายังเอามาโกดอยู่ลักเรื่องเาาก่ายังเอามาลักอยู่วิจใจเสียใจได้เสียเลยยังเป็นแผลเป็นรอยอยู่ พี่ว่ามาผีเท่าไม่ดีวิ่งยังไม่ถึงไหนแต่มามีผีเท่าดีก็วิ่งได้ไกลกว่านั้นอยู่กับเราคนเดียวปฏิบัติคนเดียวทําคนเดียวแก้ไขคนเดียวยินดีอยู่คนเดียวอย่าคิดอะไรที่มันหักพุ่นกับหมูกับมิรกับเพื่อนเกินไปที่เกินไป พิสูตนทั้งหลายเขไม่ประมาทในเมื่อผอืนประมาทเขาหลงเราไม่หลงเขาสุขลงไม่สุขเขาทุกข์ไม่ทุกข์คนอื่นจะมามาให้เราเป็นทุกข์ด้วยเขาคนอื่นจะให้เป็นสุขด้วยเขาสุขเพราะเขาคิดอย่างนั้นเิีย่งนี้เราก็ไม่หลงไม่ประมาทในเมื่อผือืนประมาทซื่ออยู่ในเมื่อผู้อื่นหลับย่อมละคนงูไปไกลเหมือนหมามีไปเท่าดี ละไม้ที่ไม่มีกํลาลังฉันนั่นแล้วก็ไปไกลวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งสามพันหกร้อยวินาทีถ้าเรารู้ภาวนาขยันรู้ขยันรู้นะหยอยใจเข้าวกีวินาทีหนึ่งหายใจออกวิหนาทีหนึ่งไม่เกินไม่ไวมาเช่าวกว่านั้นเดินตีละเข้าวกีวินาที บางทีจะไวกว่านั้นตั้งใจเดินบางทีเราก็เดินแบบผสมประสานหลายอย่างสนุกอย่างนงตาเดินหนึ่ง แ, แข่งแขนด้วยให้เหมือนสนุกไปกับพาระโยคะกรรมฐ า, านโยคะโยคะกรรมฐ า, านไปพร้อมกันเราสุขภาพไม่ดีแล้วแต่เราจะ เอามาใช้วินาทีหนึ่งสองเก้าแล้วเดินดำราก็อาจจะวินาทีละเก้าพอดีพอดีแต่ต้องตาเดินในวินาทีหนึ่งสองก้าแต่งเขียนด้วยก็พออยู่ได้เพราะเรื่องนี้เพราะนั้นก็นี่ขยันรู้ขยจะรู้มากเนี่แต่เราจะเก็บเอาคนเดียว จะไปเป็นคณะไม่ได้ศาสนาเกิดขึ้นจากปจเจ ก, กชนนับหนึ่งคนเดียวให้เราคนเดียวก่อนเอาหมูไว้ได้บางทีเราเรารู้อะไรบางทีก็คิดถึงหมูคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยากไปบอกพ่ออยากไปบอกแม่อัง น, นั้นก็ไว้ก่อนเหมือนบิงเชียหมอนุ ไปฝังเทศผู้เจ้านี่มานพสิบหกคนไปฝังเทศผูเเศเ้เจ้าพอได้ฝังเทศผู้เจ้าปีเกียบมานพคิดถึงลุงเตยสิบห้าลูกสิห้าคนนั้นไม่ได้คิดถึงวังไปฟังไ ป, งไปแล้วปฏิบัติไปตามความเห็นไปตามทำก็เห็นถูกท่องไปตามได้เป็นพระหรหันต์ทั้งหมดสิบห้าคน แต่ไม่ได้เป็นพระหันคนหนั่งคือปิงเชี่ะหมานุปฝังเทศพรเจ้าหรอมันแผละมันชอบซึ่งใจอยากให้ลงมาฟังคิดถึงแต่ลงคิดถึงแต่ล ง, งบุที่สุดไม่ได้บรรลุทมอะไรเลยต้องไปปฏิบัติต่ออีกนานบางทีเราก็มีเหมือนกันเรือว่าไปคนเดียวก่อนลูกคนเดียวไปก่อน อะไรก็ให้เป็นส่วนตัวไปก่อนแล้วผมชั่วทําเองไปก่อนตามความดีก็ทําไปก่อนให้มันไปก่อนให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วมันถึงก็บอกถึงพร้อมถึงมันจบก็บอกถึงความจบเราไม่ต้องไปพูดหลายวันทีเราก็ลําดับตามที่เราไปอ ทิศสูบประพฤติเช่นใดได้ผลเช่นใดไปสอนคนอื่งก็สอนตามผลที่เคยปฏิบัติธรรมเช่นนั้นสอนตอนอย่างไรสอนคนอื่นอย่างนั้นไหนทำไม่ไหนนี่เป็นอันเดียวกันอันเดียวกันเชิดสติก็อันเดียวกันควาหลงความโกรธความทุกข์อันเดียวกันเปลี่ยนความหลงเป็นความตุกโกรธความโลภความทุกข์โกรเปลี่ยนอันเดียวกันแล้วก็ เปลี่ยนร่ายก็เป็นอันเดียวกันเปลี่ยนหลงเป็นลูกก็อันเดียวกันเรียกว่าธรรมวินยัยธรรมคือธรรมาชาติกลุ้มงลุ้มบาปก็เรียกว่าทําบุญก็เรียกว่าธรรมเดีถ้าจะแยก ก, ออกก็เรียกว่ากุศลเกุศลผมหลงเป็นเ ก, กุศลเป็นธรมรมรมลูกเป็นกุศล พวมหลงเป็นอกุศลเป็นอธรรมพวมรูปเป็นกุศลเป็นธรรมเหมือนกันแต่มันเป็นกุศลมันดีมันถูกต้องอันหนึ่งไม่ถูกต้องพวมโกรธเป็นอกุศลพวมไม่โกรธเป็นกุศลสิ่งที่เปลี่ยนให้มันเป็นระเบียบอันเดียวกันนี่ว่าวินัยวิคือวิเศษนายะน้ำไปน้ำไปจักวมวิเศษ เปลี่ยนลายเป็นดีให้มันเป็นระเบียบเอาความผิดเป็นความถูกเป็นระเบียบไปแล้วเหมือนดอกไม้ที่อยู่ในชามปนกันเอามาเรียงเข้ากันให้มันเป็นระเบียบแล้วก็มีค่ามันมีค่าเพราะมันเป็นระเบียบเรียว่าวิไนยไนย น, ยนำไปวิคือวิเศษนำไปสู่ความวิเศษนำไปสู่ความดียอดเยี่ยม ทีว่ธรรมวินยัยมันอยู่ที่คนเราเนี่ยไม่ใช่บังคับให้ปฏิบัติอย่างนั้นบังคับให้ทำอย่างนี้ความหลงไม่ใช่วินยัยความไม่หลงเป็นวินยัยความโกรธไม่ใช่วินยัยความไม่โกรธเป็นวินยัยมันดีเนี่ยความทุกข์เป็นอธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรม เราก็มีธรรมในความเป็นธรรมในชีวิตอย่างเนี้ยเราก็ได้ไปได้ไปปัญหาเป็นปัญญาเลยไปเมื่อเรามีความเป็นธรรมในตัวเรามันก็สังคมก็มีความเป็นธรรมไม่ใช่ไปเลือกล้องจึงปฏิบัติคนเดียวเปลี่ยนคนเดียวศึกษาคนเดียวเที่ยวไปคนเดียวก่อนทุกคนต้องทำอย่างนี้มันก็เป็นอันเดียวกันได้ ไม่ใช่ไปเจนกัน บ, บังคับปวาใส่ด้วยจัตตะวุฒิบางทีต้องบังคับให้ปปฏิบัติตามกฎหมายมันก็ไม่สําเร็จถ้าเราไม่เริ่มต้นที่เราอย่างรัฐบาลจะพยายามให้คนไทยทั้งชาติใช้กฎหมายมาทำที่ตัวเรามันก็ไม่ใช่ผล บ, บังคับแม้จะไปติดคุกติดตารางออกมาก็ยังเป็นโจรผู้ล่าอยู่ แต่ถ้าเรามาเปี่ยนอย่างเนี้ยมันจะเป็นกฎหมายเป็นทำไม้ไหนทันทีเสรีสุขเสริภาพเกิดขึ้นทันทีมันจึงมีศรัทธามากาๆในเรื่องนี้นะศระทัทธาพระละไม่ทอถอยสติพระละไม่ทอถอยความเพียรไม่ทอถอยขยันเน้อความชั่วขยันทําความดีอยากเห็นมันทุกอยากเห็นมันสุข อะไรที่เป็นตัวทุกข์เดี๋ยวมันขยันนี่แต่หายใจ็บไม่ได้มันก็ขยันไม่เห็นมันทุกข์ตรงไหนหายใจไม่ได้เหมือนเจ็บก็ไม่เห็นทุกข์ตรงไหนมันไม่มีจะให้เปลี่ยนครับว่าทุกข์เนี่ยมันถึงแผ่นดินสุดมันมีอยู่ในชีวิตของคนเนี่ยถ้าไม่มีทุกข์ม่เป็นอะไรมันก็เลยคือชีวิต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 อยากให้คนถามให้มันติดลองดูจะได้มาศึกษาหาตำราถ้าเขาถามมันติดเราแจ้ไว้ได้นะ่ะจะมาหาอ่านตำรามันตอบจะไง่ารบริหารของโลกถ้าปุจฉาวิจาจน า, มาไม่ได้เขาปุจฉามาเราวิจาจนาไม่ได้นั่นแหละมันดีเราจะได้ เลื่อนฐานะของเราจะได้แก้ขยะขยันตรงนั้นไม่รู้เชิงใดแต่ถามท่านพ่ลูกไม่เข้าใจเชิงใดทำไมเข้าใจไม่แจ้งเชิงใดทำไมเขาแจ้งขึ้นมาไม่ต้องยอมสอบมันไม่ผ่านมันตรงไหนที่มันไม่ผ่านวันนี้เราไปสอบข้อเขียนเราสอบอยังไงเราเขียนยังไงมาเปิดตําราดูมันผิดมันก็ผิดเพาะสอบตก เราไม่ได้เสียใจเวลามันสอบตกมันยิ่งดีจะได้แก้ในตรงนี้ตรงมันผิดแต่ข้อสอบมันตกตามมันหยัดสากลแต่ว่าเราไม่ตกเรารู้แย่างนี่ยที่มันหลงมันบทเรียนดีะที่มันทุกข์น่ะบทเรียนดีอย่าเป็นหน้าหิ้วอย่าเป็นหน้าบูดนะเบิ่งเวลามันทุกข์นะแขนที่ยิ้มหัวเลาะมันน่ะ สติเป็นเช่นนั่นนะไม่ใช่เป็นหน้าบูดหน้าบึง้งไม่ใช่ไปเศร้าหมองยากจะกกระชากออกมาไม่สบายใจไม่สบายใจไหนใจมันอยู่ไหนอ่ะเอามานี่เราจะล่างให้มันสบายให้มันดีเอามาเอาใจมาเราจะทําให้มันดีมันก็ไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเองอุปทานมันหลงของตัวเราต่างหาก มันไม่มีอันว่าไม่สบายใจไม่สบายใจมันไม่สบายตรงไหนล่ะจะอมาแต่งให้มันไม่ได้ต้องเปลี่ยนเราเองอันไม่สบายมนะันมันเป็นอุปทานนะมันหลงเห็นมันไม่สบายนะั่นแหะมันจะดีรักษาเห็นนี่ว่าอย่างที่เราสาทิเภสูตรสมมาทิฏฐิสมมาสมาธิเห็นอะไร เห็นทุกนะน่ะเห็นเหตุที่เกิดทุกนะน่ะเห็นวิธีเดบุกเดบุกได้แล้วนั่นหะสมยทิทิละเป็นลูกลุนเือนแสงเงินแสงทองให้หวังจะสว่างขึ้นมา้ามองเห็นแสงเงินแสงทองขึ้นลวก็ ไม่กีน่นาทีจะสว่างเจอเห็นทุกเห็นเหตุได้เกิดทุกวิธีดอบทุกดอบทุกได้แล้วนัว่นะมันเปลุ่งหอลุนหรอลุ่งหรอลุนของผู้ปฏิบัติถ้าเรามีสติเห็นมันหลงนี่ดีแล้วเห็นมันทุกข์ดีแล้วมันก็มีวิธีเดียวหลวงตาก็บอกง่ายๆเห็นอย่าเป็นนั่นแหละนล่รดสิสติ ทั้งหมดเลยเห็นทุกมันไม่เป็นผู้ทุกนั่นทุกเป็นผลไม่เป็นผู้ทุกทุกเป็นผลหลงเป็นเหตุไม่หลงเป็นมากเมื่อไม่หลงก็ไม่ทุกเป็นผลเป็นมากเป็นผลในข่าวเดียวกันทันทีไม่ใช่ชาติหน้า นานตายไปลไมใ่ใช่ไหมมันหลงเดี๋ยวนี้เปลี่ยนหลงเป็นรูปเป็นผลเดี๋ยวนี้เป็นมรรคเป็นผลเดี๋ยวนี้อะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นอกุศลเปลี่ยนเป็นกุศลมาในข่าวเดียวกันก็ เ, เห็นเกิดมันจึงมีไม่เกิดว่าเห็นเจ็บจึงมีไม่แจ่เพราะเห็นเจ็บมันจึงมีไม่เจ็บพราเห็นตายมันจึงมีไม่ตาย มันเป็นอย่างนี้มันง่ายงายไม่ใช่เรื่องยากถ้ายากผุ้เจ้าหมาสอนผู้เจ้าสอนในสิ่งที่เราทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการมันหลงตอนเที่ยงตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นครับคือเดือๆเวลาหลับเวลานอนมันหลงนั่นแหละจะได้บรรลุธรรมนอนอยู่จะได้บรรลุธรรมอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่น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 แผ่นดินมันแยกมันแตกไปดูหนังโลกที่นิวยอร์กไปดูโลกเนี่ยมันแตกแล้วไปดูโลกที่เขาฉายให้ดูมันแตกเพราะเราคนใช่มันน้ำหนักไม่ไหวทนน้ำหนักไม่ไหวแตกไปไหลช่วงแล้วแผ่นดินไหวอ๋อถ้ามันแตกแล้ว ก, กระโดดไปแนะ่สนุกนะนี่ เ, เล่นไป มันแตกก็เลยจะโดดไปนั่นโดดก็นั่นโดดไปนี่น โ, ดดนโอ้สนุกดีนะโล่งมันแตกเวอร์เลยอ้ามันทุกข์เกี่ยวกับไหนละ่ะอ๋อห า, อายใจไปได้เลยทุกข์เลยเนะี่ยโอ้ยเห็นทุกข์ตรงไห น, นไม่มีอะทุกข์มันเปาะบางเกินไปกรรมจุกันนึกการโยก ทุกเป็นทุกเป็นวกามมจุขานิกาโยกอ่อนเดสุกเป็นฉุกด้วยว่ากรมมจุขานิกาโยกผิดทางเช่นนี้ทางเช่นนี้ไม่ควรเฉบผู้ที่จะเป็นบัญบาคิดไม่ควรเฉบคำว่าเฉบคือเป็นสุกเป็นฉุกเฉบสุกทุกเป็นทุกเฉบทุกด้วยทางนี่ไหมสิ่งนี้ไม่ควรเฉบบัญบาคิดไม่ควรเฉบ บัชิตคือผู้เห็นภยัยไม่ใช่หัวโลดนหลวงพ่อเหลืองถ้าใครเห็นภัยอย่าไปเสพเจ็บสุขเสพทุกข์มันเป็นงามมันขานกาโยกโกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงรักเป็นรักเกียรติชังเป็นเกียดชังัอใจไม่พอใจนะ่ะเสพเสพคือใช้ชีวิตแบบนั้นมันผิดไปไม่ถึงไหน อีวเมสุตังเอกังสังขวาพราเชพิกสุเป็นดับชีพิกคิเบอัตตโกปัญชผีพิกสุอมันเตสุรมิขันติกายโขอัตตะจิมันคานโยโคมัชฌิมาปฏิปทาตุเจ้าเทศโปรดปัญญาวิชีน่ะในวันเพ็นเดิอนแปดนะทางนี่ไม่ใช่ความเจ็บบันปลายิตผู้เห็นภัยในวัฏฏะ เราจะต้องเกิดเจ็บเจ็บตายแค่นี้หรือชีวิตเราเกิดมาทําไมล่องให้เสียใจสุขสุขทุกทุกอยู่ทำไมเขาไปไกลแล้วหลวงตาพูดแล้วพูดดีทุกวันนี้เขาไม่หลงทุกวันนี้เขาไม่ทุกทุกวันนี้เขาไม่โกรธเราจะมาหลงมาโกรธมาโซกมาทุกอยู่ทําไมมันมีนื่มีช่างขีเสือมาหรืออันสุขอันทุกเนี่ย มันเกิดเป็นอารมณ์มันเป็นอาการเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเฉยๆนิดเดียวเช่นผมบางโพเขาเปลี่ยนมันละอันหลงเป็นรู่เนี่ยมันไม่ต้องเงื่อไหลใครย่อยอะไรนอนอยู่ก็เปลี่ยนได้นั่งอยู่ก็เปลี่ยนได้เดินอยู่ก็เปลี่ยนได้เวลาใดมันหลงรู่ขึ้นมาเนี่ยแทนที่ใจหัวลอยแทนที่ชื่นใจตรงไหนงานเขาเหงาอยู่เนี่ย นี่เป็นงานของเราจะทําไงเราจรึงจะมีโอกาสต่อหน้าต่อ ต, อ ต, อตาแบบนี้วิธีที่มันต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันนั่งยกมือสร้างจังหวะนะเหมือนพระจิตตะะในบรรพินทรดันหกกูเขีนเข้ามืสติยงเขีนออกมืสตีผงกูเขียนเข้าสติเนี่ ย, ออ ต, ยออ ต, ต่อหน้าต่อตาเนี่ย กายก็มีอยู่จริงนี่ยรู้เฉญเข้ามีสติเนี่ยเหยียเฉญอนออกมีสติให้มันต่อนะต่อตาเนี่ยมันหลงก็หลงต่อน้าต่อตาเนี่ ย, ม, ยมันไม่รับไม่รี่หรอกมันมมงนู้งโง่คมหลงน่ะพุดธขึ้นมาเลยมาไม่ใช่ฉลาดนะยุ่งมาฉลาดกูขอบหลงมันกัดตรงที่เราไม่เห็นมันนะต้องงองหนายืนลดน้ำอยู่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 ทำค่นี้มันยากเลย ท, ไไทไไลายไม่ได้ทําไม่ได้การมจุขันต์การโยกทาไม่ได้อะไรก็ยากอะไรก็ยากคนไม่มีจิตทางตัมีความเพียรเห็นดงเป็นทุ่งผู้ไม่มีความเพียรเห็นทุ่งเป็นป่าเป็นดงยากอะไรก็ยาก โบราณทัางหมายใจมีความเพียรไปสงสางกางดงกวางทงขี้ข้านแล้วกลางบ้านกนวาทง